ข้อที่25เรื่องช้างมหิลามุกในครั้งดึกดําบันแต่มีช้างมงคลชื่อมหิลามุกของพระเจ้าพรมทัตในกรุงพาราณสีมีศีลสมบูรณ์ด้วยมารยาทไม่เบียดเบียนใครๆต่อมาวันหนึ่งในตอนกลางคืนพวกโจรมานั่งปรึกษากันในที่ ไล่อ ง, งของช้างมงคล น, นั้นว่าต้องทำลายอุโมงค์อย่างนี้ต้องทำการตัดช่องอย่างนี้ทำลายอุโมงค์และทำการตัดช่องแล้วลักของจึงจะควรเมื่อจะลักต้องฆ่าและตีวงเล็บเปิดเจ้าของวงเล็บปิดแล้วจึงลักเมื่อเป็นอย่างนี้ชื่อว่าผู้สามารถเพื่อจะลุกขึ้นวงเล็บเปิดต่อสู้วงเล็บปิดได้ จากไม่มีและขึ้นชื่อว่าโจรไม่ต้องมีศีราจลวัตรต้องเป็นคนกระด้างหยาบคายร้ายกาจโจรเหล่านั้นปรึกษากันอย่างนี้นัดแนะกันและกันแล้วก็ไปโจรเหล่านั้นมาปรึกษากันในที่นั้นโดยอุบายนี้นั่นแลตั้งหลายวันช้างได้ยินคำของโจรเหล่านั้นสำคัญว่า พวกนี้สอนให้เราสำเนียกจึงคิดว่าเรานี้เราควรเป็นสัตว์กระด้างหยาบคายร้ายกาดดังนี้ได้เป็นเหมือนอย่างนั้นแล้วช้างนั้นเอางวงจับคนเลี้ยงช้างที่มาถึงแล้วถึงแล้วแต่ช้าตรู่ฟาดนะภาคพื้นให้ตายแล้วพวกมนุษย์จึงกราบทูลแด่พระราชาพระราชาทรงส่งอมาตะคนหนึ่งไป ด้วยตรัสสั่งว่าบัณฑิตท่านจงไปจงรู้ว่าเพราะเหตุไรช้างนั้นจึงกลายเป็นสัตว์ดุร้ายไปได้อมากนั้นไปแล้วไม่เห็นโรคในตัวของช้างคิดว่าเจ้าหนี่ดุร้ายเพราะอะไรเมื่อใกล้ครวรก็แน่ใจว่ามันคงได้ยินคำดุร้ายของคนบางพวกในที่ไม่ไกลเป็นแน่จึงได้กลายเป็นสัตว์ดุร้าย จึงถามพวกเลี้ยงช้างว่าใครใเคยพูดอะไรอะไรในเวลากลางคืนในที่ใกล้โรงช้างมีบ้างไหมพวกเลี้ยงช้างตอบว่ามีขอรับนายพวกโจรมาปรึกษากันอำมาตนั้นจึงไปกราบทูลว่าขอเดชะในตัวของช้างไม่มีอาการแปลกอย่างอื่นมันฟังถ้อยคำของพวกโจรจึงกลายเป็นสัตว์รุกราย บัด น, นี้ควรที่จะนิมนสมณพราหม์ทั้งหลายผู้มีศีลให้นั่งใกล้โรงช้างแล้วกล่าวเรื่องเกี่ยวด้วยศีลและมารยาทพระราชารับสั่งให้ทำอย่างนั้นแล้วสมณพราหม์เหล่านั้นกล่าวเรื่องศีลว่าไม่ควรจับต้องใครๆไม่ควรฆ่าใครๆควรจะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและมารยาท ประกอบด้วยขันติเมตตาและความเอ็นดูช้างฟังคำนั้นแล้วสำคัญว่าพวกนี้ให้เราสำเนียกจึงคิดว่าบัดนี้ตั้งแต่นี้ไปเราพึงเป็นผู้มีศีลได้เป็นผู้มีศีลแล้วเรื่องช้างมหิลามุกในอัตถกถาแห่งมหิลามุกชาดกในเอกนิบาตจบ